แล้นักเลงโตหลมช้างแงนหน้าหัวเราะเอ้โง่เอยนั่นแหละเองจงรู้ประดับสติปัญญาเอาไว้แล้วเก็บเอาไปบอกไอ้เท่าอาจารย์ของเองให้มันฉลาดขึ้นซะด้วยกินของว่านเสนจันอยู่ที่ไหนกินน้ำดื่มกินได้ก็อยู่ที่นั่นด้วยว่านชนิดนี้จะขึ้นใกล้น้ำและน้ำแอ่งใดก็ตามที่เสนจันขึ้นงอกงามได้น้านั้นใสสะอาดไม่มีพิษจงเอาคาของข้าให้นายใหญ่เข้าใจ ใส่ทำหน้างงงานแล้วรีบแปลถ้อยคำของขยินให้เชษฐาฟังโดยเร็วหัวหน้าคณะตื่นเต้นขึ้นมาทันทีจ้องหน้าขายินเขมงเป็นความจริงหรือขยินจริงนายใหญ่ปู่สอนพ่อและพ่อสอนขยินถ้าพบแองน้ำที่ใดมีว่านเสนจันขึ้นดื่มกินมีอันตรายใดๆก็ตามขายินยอมให้ตัดคอเชิดาตาเป็นประกายยิ้มออกมาได้เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นแล้วเจ้าว่าเจ้าได้กลิ่นว่านชนิดนั้น ใช่แล้วลมโชยมาจากด้านนี้มันต้องไม่ห่างออกไปนะเจ้าได้กลิ่นมันตั้งแต่เมื่อไหร่และทำไมไม่บอกเราแต่แรกว่าเจ้าพอจะรู้ว่ามีแหล่งน้ำกินได้อยู่ใกล้ๆเราพวกเราทุกคนกำลังวิตกกันอยู่ในเรื่องนี้บุญคำเองก็ยังจนปัญญาขยิบหัวเราะอีกครั้งเบ้ปากทําท่าดูหมิน่นขณะที่ชำเรือไปทางตมเท้าบุญคมคู่ปับซึ่งนอนครูกลนคร อ, อกอยู่ แต่เท่าบุญคำมันเก่งแต่ไล่ผีสาวๆมันไม่เก่งไปหมดทุกอย่างหรอกในายใหญ่มันไม่รู้ว่าว่านเสนจานทร์หมายถึงน้ํากินได้อย่างไรขยินไล่ผีไม่เป็นแต่ขยินดมกลิ่นว่านรู้ขยินเพิ่งจะโชยกลิ่นมันเมื่อตื่นขึ้นมาอยู่ยามนี่เองลมดึกมันพัดปางพักเราอยู่ใต้ลมต้นว่านอย่าไปเชื่อมันนักครับในายใหญ่ไอ้นี่มันขี้โม้เสยขัดมาอย่างไม่ศรัทธาแต่สําหรับเทเชตขาเขาจ้องมองดูอดีตในบ้านหล่มช้างอย่างทึ่งๆ ก็น่าคิดเหมือนกันนะเสยขยินมันมีอะไรดีๆอยู่ไม่น้อยในตัวมันเหมือนกันสิ่งที่พวกเราไม่รู้มันอาจจะรู้ก็ได้ถึงอย่างไรเราก็เห็นจะต้องลองเชื่อมันดูเพราะไม่มีทางเลือกอื่นว่าแต่พวกของเสยไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องในเรื่องพวกนี้เสยสั่นหัวผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับพานใหญ่เองก็คงไม่รู้เหมือนกันนี่ผมว่าถ้าลุงคาตื่นนั่งฟังอยู่ด้วยจ้างไอ้นี่ก็ไม่กล้าโม้เช็ดถาหัวเราะออกมา ฉันรู้ว่าขยินมันเข็ดเขียวกลัวบุญคํเพราะคอยข่มขู่มันอยู่เรื่อยๆและถ้าสิ่งที่มันบอกมานี้เป็นจริงก็ต้องนับว่าโชคดีมากที่ฉันบังเอิญมาคุยกับมันเข้าถ้าไม่ถามถึงมันก็คงไม่กล้าบอกเพราะกลัวจะถูกบุญคําต้อนเอาเลยทำให้พวกเราทั้งหมดเสียผลประโยชน์กันไปหมดว่าแล้วเขาก็มองไปทางขยินด้วยในตาอันแจ่มใสบอกว่าฉันเชื่อเจ้าขยิน และก็เชื่อว่าพวกเราที่ร่วมชีวิตมาด้วยกันนี่ทุกคนล้วนมีดีไปคนละอย่างทั้งสิน้นเพียงแต่ว่าจะดีกันในด้านใดเท่านั้นเราทั้งหมดกําลังอับจนต่อปัญหาเรื่องน้ํากินถ้าเจ้าใช้ความสามารถของเจ้าสแสวงหามาได้ก็นับว่าเจ้าเป็นผู้แก้ปัญหานี้ตกอย่างเมื่อคนอื่นๆกําลังเข้าตาจนแต่ทำไมเจ้าถึงไม่บอกให้พวกเราคลายกังวลกันทั้งเสร็จแต่แรกในายใหญ่ไม่ได้ถามขยิ่งแต่ถามบุญคำขยิ่งไม่กล้าบอก และอีกอย่างขายินก็ยังไม่ได้กินว่านสเสน่จันทร์จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ถ้าเช่นนั้นพรุ่งนี้เราจะมุ่งหน้าไปหาน้ําก่อนเจ้าเป็นคนนําเชษฐาบอกโดยเร็วเต็มไปด้วยความหวังขยินนาไปได้แต่เกรงว่าพานใหญ่จะไม่เห็นด้วยถ้าเขาไม่รู้อย่างที่ขยินรู้มาก่อนฉันจะลองหาลือกับเขาดูเมื่อเขาตื่นขึ้นพรุ่งนี้แล้ววันนี้ท่านทูตทหารบอกก็สูดลมหายใจเต็มแรงเพื่อจะค้นหากิน่นแต่เขาก็ไม่ได้กินอะไรมากไปกว่าสาบดงและไอน้ําค้าง ฉันไม่ได้กินอะไรเลยเจ้ายังได้กลิ่นมันอยู่หรือไม่ขยิม ย, งยิงฟันยิ้มร่อนจมูกสายไปมาอีกครั้งกลิ่นของมันยังโชยชื่นใจอยู่ในจมูกของ ข, องขอยิม น, นี่แต่จมูกของนายใหญ่กับของขอยิมไม่เหมือนกันฮาฮาเสน่จันท์ประโยคลหลังขยิมพึมพำออกมาแถวเบาตาเป็นประกายแวววาวประหลาดพร้อมกับปริ่นปีปากนันก็ปรากฏรอยยิ้มชนิดหนึง่งกลิ่นของมันมีมอนอาถรรนักกล่าวกันว่าถ้าหนุ่มสาวอยู่ใกล้ชิดกันที่ใดหากเรณูของมัน กระจรกระจายไปถึงจะมีการเสียตัวกันเกิดขึ้นที่นั่นเช่ยถามมีสีหน้าประหลาดใจไม่ได้ยินคําแปรจากเสยในถ้อยคําของขยินชนิดนั้นหัวเราะออกมาเบาๆแปลกมากมีขยินถ้ามันเป็นความจริงอย่างว่านั่นกลิ่นมันโชยถึงนี่แล้วมีหนุ่มสาวคู่ใดเสียตัวหรือฉันไม่เห็นมีเลยถึงมาดแมนว่าชา ย, ยัน น, นันปลายนั่งอยู่ด้วยและได้ยินขยินพูดเช่นนี้อดีตนายพันตรีหนุ่มคงถึงกับสะดุ้งวาดนี่โชคดีที่เขาหลับไปซะแล้วหลับอย่างสนิทที่สุดและบางทีอาจหลับด้วยมนต์สะกดของสเสนจันทร์อย่างที่เจ้ากระเหลี่ยงหลมช้างว่าขยินสั่นหัวช้าๆยังยิ้มพรายอยู่เช่นนั้นขยินไม่รู้ขยินพูดทำคำที่เขาพูดมาจำทิศทางที่กลิ่นสเสนจันทรช่วยมาให้ถูกต้องแม่นยำที่สุดนะขยินพรุ่งนี้เราจะไปหามันให้พบเพื่อจะได้น้ำอย่างที่ว่า เช่ถาคำชับแล้วก่อนที่เขาจะลุกขึ้นไปนอนต่อ น, นั่นเองทั้งเขาขยินและเสยที่เป็นสามชีวิตยนนังตื่นอยู่ก็แว่วเสียงชนิดหนึ่งลอยลงมาเป็นเสียงที่คุ้นหูดีที่สุดมันคือเสียงของไอ้พวกผีกองกอยประสาทอันซึมเซาเมืองหนาวตื่นชนขึ้นในทันทีต่างชันคอหูขึงมาอีกแล้วนายไอ้ผีไัยเสรยร้องออกมาเบาๆเฉยไว้ฟังมันไปหัวหน้าคณะเอานิ้วแตะริมฝีปากตาลุกโพง ความม่วงหายเป็นเป็ดทิ้งเสียงกรอยๆเหล่านั้นดังวังเวงมาเหมือนอย่างที่เคยได้ยินครั้งแรกมันห่างๆก่อนแล้วก็ถี่กระชั้นใกล้เข้ามาเป็นลำดับจากหุบที่ลึกลงไปทางด้านตะวันตกมิช้ามินานมันก็ร้องมาเส็งแซดราวกับผีนรกร้องขอส่วนบุญหรือรอบๆชายเนิน เมื่อใช้ถาวิ่งเข้ามาคว้าปืนคู่มือกับไฟฉายก็เป็นเวลาเดียวกับที่ดาวรินและมาเรียพรวดพลาดลุกขึ้นชา ย, ยาณนั้นตื่นขึ้นโดยมาเรียเป็นผู้ขยับปลุกแต่และพินพายวันคงหลับนิ่งเป็นตายอยู่เช่นนั้นและไม่มีใครปุกเขาเตรียมพร้อมรู้สึกว่ามันจะล้อมเราแล้วหัวหน้าคณะสั่งเร็วปือ้อแล้วทั้งหมดก็แยกย้ายกันปุกพวกผ่านพื้นเมืองขึ้นอย่างรวดเร็วอึดใจเดียรุกคนก็พร้อมสับด้วยปืนและไฟฉายในมือกระจายกันออกยึดตามแนวขุดหินที่กำบังสองไฟฉายจ้าลงไป แววตาสะท้อนแสงนับร้อยร้อ ย, อยคู่ก็สาดพืดตอบแสงไฟขึ้นมาเต็มพืชไปหมดทั้งป่าส่งเสียงร้องอยู่ระ ง, งมดงเย็นแสแยงไปทั่วทุกกลุ่มขนปืนทุกกระบอกจ้องพร้อมประทับขึ้นไหลอย่ายิงนอกจากมันจะไต่เนินขึ้นมาเชิฐาสั่งเอถ้ามันพิกลอยู่ใน่นพวกมันยกขยงล้อมเราไว้ทุกด้านแบบนี้ขนาดส่องไฟยังไม่หลบบุญคำซึ่งซุ่มกำบังอยู่ใกล้หัวหน้าคณะกระซิบขึ้น มาดีมาร้ายเราก็ยังทายไม่ถูกแต่เราอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันก่อนทั้งสิ้นดูมันไปอาจ น, นีไอ ห, หัวหน้าของมันมาด้วยและบางทีมันอาจจะติดต่อกับเราก็ได้ ทุกคนส ง, งบนิ่งใช้แต่ไฟฉายเท่านั้นทำหน้าที่กราดสำรวจไปรอบๆ อ, อย่างระมัดระวังกระบวนเจ้าผู้พายที่ยกกันมาเป็นกองทัพมีการเคลื่อนไหวพุกพลานในระหว่างที่พวกมันเองอยู่เบื้องล่างแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีว่าจะบุกลุกล้ำดินแดนขึ้นมาบนเนินอันมีฝ่ายมนุษย์จ้องปืนเตรียมระเบิดกระสุนาสาดลงไปเสียงร้องของพวกมันดังประสานกันแส้ขึ้นแล้วก็ค่อยๆซาสายเงียบหายเป็นระยะต่อมาก็ดังขึ้นอีกแล้วก็ซาไปอีกสลับกันอยู่เช่นนี้ชนิดที่ทายอะไรไม่ถูก ชายันแยกเที่ยวแก้งล้อเรียนเสียงของมันลั่นลงไปแล้วก็ตะโกนเอ็ดว่าว่ายังไงว่ยไอ้พวกหาดงมาดีหรือมาร้ายมีอะไรจะมาเจราจา ก, ก็ส่งตัวแทนของพวกเองขึ้นมาอย่าเสือกยบพลพยุหะเสนามาล้อมอยู่อย่างนี้ เสียงของเขาพวกมันก็ประดังส่งเสียงอื้อๆขึ้นอีกทัพทีมนับร้อยๆคู่เหล่านั้นเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่สลับไปมาและดูเหมือนจะทวีเพิ่มจํานวนขึ้นนับไม่ถ้วนแบบนี้ป็นหนึ่งว่าป่าใหญ่ทั้งป่าจะเต็มไปด้วยพวกมันนับหมื่นพันออแน่นกันเข้ามาแต่ก็คงรักษาระดับอยู่เหมือนเดิมโดยไม่มีตัวใดลุกล้ําดินแดน ถ้าหากมันบุกขึ้นมาพร้อมกับหมดเรายิงไม่ทันแน่ในใหญ่จันระเบิดความกระสับกระส่ายขึ้นแต่เชิดถ่ายยังนิ่งเขาจับมองไอ้พวกผีพัยอย่างพินิษพิคัยควรแต่ก็อ่านอะไรมันไม่ออกลองยิงไล่ดูไหมสักตุม้มชา ย, ยันร้องถามมาทางสหายแต่ก็ได้รับคําตามอย่างเด็ดขาดอยา่าสงบใจดูท่าทีมันให้ถึงที่สุดแต่มันอาจจะไม่คิดที่มาเล่นงานเราก็ได้ถ้าไม่งั้นก็น่าจะบุกขึ้นมาแล้ว บ, บุกพานใหญ่ขึ้นไม่ได้เกิดว่าไม่ต้อง ดาวรินร้องห้ามมาโดยเร็วกดไหลผู้กำลังจะขยับลุกขึ้นไว้ถึงปลุกขึ้นมาตอนนี้เขาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกแต่วินาทีที่กระดิกผ่านไปในยามนี้มันเป็นความร้อนรุ่มกระสับกระส่ายของทุกชีวิตฝ่ายมนุษย์ซึ่งเตรียมระวังอยู่ในที่นั่นเหตุการณ์มันไม่ผิดอะไรกับที่เคยถูกโขง ข, งของไอแ้แหวงช้างร้ายเข้าล้องไวในครั้งนั้นซึ่งทุกคนยังจำได้ดี มันเป็นดุษณีภาพเพื่อทอดเวลาสําหรับทรมานประสาทอยู่ชั่วขณะก่อนหน้าที่สงครามใหญ่จะระเบิดขึ้นระหว่างมนุษย์กับเดรดาร์ชานเจ้าของป่าสําหรับกองทัพของพวกผีกองกอยเท่าที่เห็นอยู่นี่ท้ายไม่ถูกเอาเลยว่ามันจะมาไม้ไหนกันแน่อย่างไรก็ตามฝ่ายมนุษย์ก็ยังมีความคิดที่จะเข้าข้างชะตาตัวเองว่ามันไม่น่ามาร้ายเพราะอย่างน้อยที่สุดต่างก็เคยได้รับสัญ ญ, ญาณมิด จากเจ้ากองกอยตัวหนึ่งมาก่อนแล้วและดูเหมือนจะเป็นตัวหัวหน้าใหญ่ของพวกมันซะด้วยถึงจะไม่แสดงออกในด้านมิตรอันชัดแจ้งนะมันก็ยังสอบไปในทางช่วยเหลือเกื้อกูล เมื่อชีวิตหนึ่งของคณะพักตกอยู่ในภาวะรับขันสุดขีดผีกองกอยหัวหน้าตัวนั้นเคยเข้ามาดูดพิษตะขาบออกจากบาดแผลของชายยันและนำพานใหญ่ไปให้พบกับตัวยาสำหรับนำมาแก้ไขมินำซ้ำท่าทีของมันยังแสดงว่าสามารถเข้าใจในคำพูดและความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์แม้ว่ามันจะพูดภาษามนุษย์ไม่ได้ก็ตาม ณบัดนี้มันแห่กันมาเต็มดงแวดล้อมคณะพักอยู่ทั่วไปจะมาด้วยจุดประสงค์หมายตะลุมบอลฉีกเนื้อสูบเลือดกินอย่างอาหารของมันเหมือนอย่างที่มันเคยทำกับสัตว์อื่นๆหรือว่ามาในความหมายใดและไม่มีครั้งใดที่คณะผชนภัยจะแลเห็นมันรวมกลุ่มห้อมล้อมเข้า ม, ามามากมายถึงเพียงนี้สำหรับปรากฏสําดงตนให้เห็นอย่างเปิดเผยไม่คั้นคมขามระยอต่ออานาจตืนพักผ่าเถอะ ไอ้ตัวหัวหน้าของมันอยู่ที่ไหนนะมันน่าจะโผล่ออกมาให้เราเห็น ชั ย, ยันคลางออกมาทันทีที่ขาดเสียงของอดีตนายพันตรีหนุ่มเงาของเจ้าพูดไพรตัวหนึ่งก็ปรากกดขึ้นที่หมูก้อนหินในระหว่างซุ้มไม้เตี้ยเบื้องล่างค่อยๆไต่ทางอันสูงชันนั้นขึ้นมาอย่างช่ช้าไฟฉายทุกดวงก็สาสจับไปรวมกลุ่มอยู่ที่มันเป็นดวงเดียวใช่แล้วไอ้กองกอยตัวนั้นตัวที่ดูพิษให้นายทหารอุ่นคํากับสางปาจําได้ร้องขึ้นพร้อมกันอย่างตื่นเต้นยิ่งๆดูเหมือนมันกําลังจะไต่ขึ้นมาหาเราปล่อยให้มันขึ้นมา หัวหน้าคณะสั่งเร็วปือจากฝูงของสัตว์ประหลาด ค, ค, ค่อยๆคลื่นต่ขึ้นมาในลักษณะอันช้าช้าเช่นเดิมมีมันตัวเดียวเท่านั้นที่แยกจากฝูงทั้งหมดล้ำหน้าโดดเด่นมุ่งตรงขึ้นมาซึ่งอาการเช่นนั้นย่อมเท่ากับเป็นสัญญาณเตือนให้มนุษย์ซึ่งระวังตนอยู่เข้าใจไปใ น, ในด้านดีมากกว่าด้านร้ายระหว่างที่ต่างจ้องตามแมกพิษในการเคลื่อนไหวขึ้นมาใกล้ของมันพร้อมทั้งไม่อาจทํานายอร้ายถูกนั่นเองเหตุการณ์อันเปลี่ยนแปลงกระทันหารชนิดหนึ่งก็แทรกเข้ามา มีกระแสลมแรงพัดกันโชควูบหนึ่งมาจากยอดเขาด้านเหนือพร้อมกับเสียงเหมือนไขรเอาพัดขนาดใหญ่มากระพือบกลมบันดังวูบวาบแววมาแต่ไกลไอกองกอยช ง, งักกึดอยู่กับที่ในขณะเดียวกันกับเสียงร้องแซดรับกันต่อๆของพวกที่มันแวดล้อมอยู่ดงเบื้องล่างเป็นสำเนียงแห่งการตื่นหนกโลมานแล้วปากก็รั่นคลึกด้วยการเคลื่อนไหวอย่างชุนลมุน ชั่วพิษตานั่นเองดวงทับทิม น, นับพันที่สะท้อนแวววาวตอบแสงไฟมาก็อันตรธานหายไปหมดรวมทั้งเจ้าหัวหน้าซึ่งในขณะนี้มันไต่ขึ้นมาได้ครึ่งทางทุกคนก็เห็นมันกระโดดแวบลงไปที่ตาชายเนินแล้วก็กลืนตัวเองหายไปในความมืดอันลี้ลับประหนึ่งว่าจะละลายเป็นอากาศาธาตุฉะนั้นสัญญาณภัยอันจู่โจมชนิดใหม่ก็เตือนเข้าสู่ประสาทของกลุ่ ม, มนุษย์โดยไม่ต้องนัดแนะกันเลย ปทุกกระบอกที่จ้องลำกล้องไปยังเบื้องล่างบัดนี้เงยขึ้นสู่อากาศเบื้องบนพร้อมกับไฟฉายมันหละไอโยมะทูตัวนั้นเสียงชา ย, ยันร้องขึ้นดับไฟก่อนล่นอมันให้เข้ามาใกล้ที่สุดเชิดาสั่งการทั้งหมดเคลื่อนที่อย่างสับสนแข่งกับเวลาเพื่อรับมือมรุดโตโยที่จะมาจากเบื้องบนศีรษะต่างลืมพวกผีกองกอยไปชั่วขณะนอกจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าซึ่งสัญชาตญาณบอกให้ทราบชัดว่ามันร้ายกาจเหนือกว่าภัยทุกชนิดเพียงใด และเจ้าสิ่งนี้แหละที่ทั้งคณะเตรียมระวังกันอยู่ทุกขณะจิตนับตั้งแต่ตะวันตกดินมาแล้วเชิดถากับบุญคามปาดเข้ามายืนระวังเตรียมพร้อมอยู่ข้างๆร่างของพานใหญ่ซึ่งนอนหลับสลบทไหลยอยู่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองใดๆได้ทั้งสิ้นมาเรียดารินและชา ย, ยันยึดแนวกําแพงหินธรรมชาติคนละด้านในตําแหน่งที่สามารถจะยืนคุ้มกันให้กันและกันได้สุดแต่ว่าไอ้ข้างขาวผีจะพุ่งเข้ามาโจมตีทางด้านใด ส่วนพันพื้นเมืองที่เหลือก็กระจายกันอยู่ตามจุดต่างๆรอบด้านทุกคนฉลาดพอที่จะเลือกหาที่หลบกำบังอันปลอดภัยของตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องเตือนกัน สิ่งปีกก็คือตัดอากาศดังมาจากยอดเขาสูงเหนือขึ้นไปในความเงียบสงัดเช่นนี้สามารถได้ยินอย่างถนัดแล้วก็ใกล้เข้ามาอย่างรวดเร็ววนไปรอบรอบยอดไม้สูงในรัศมีห่างเหมือนจะฉวัดฉวีนบินวนล้อมรอบบริเวณที่ฝ่ายมนุษย์ตั้งแคมป์พักอยู่ในขณะนี้ต่างกระชับปืนและไฟฉายมั่นคอยจับสังเกตเสียงรอให้แน่ใจที่สุดว่าเมื่อศาสตร์ไฟขึ้นไปต้องอยู่ในระยะที่จะเห็นสังเกตจากเสียงบินของมันค่องแคล่วว่องไวปานลมกดนั่นคือลักษณะตามธรรม ของั้างคาวซึ่งเป็นสัตว์ปีกที่บินโฉบได้เร็วเหนือกว่านรคทุกชนิดและเมื่อเทียบอัตราส่วนอันใหญ่โตของมันในขณะนี้เชฐาก็พอจะคำนวณได้ด้วยความหนักใจยิ่งว่าอัตราคลื่นที่ในอากาศของมันจะต้องไม่น้อยกว่า80ไมล์ต่อชั่วโมงระหว่างตัวให้มากที่สุดมันบินเร็วราวกับลมสลาตันทีเดียวเขาตะโกนเตือนพักพวกขึ้นมาอย่างร้อนใจเก่งจิงมึงโฉบลงมาขอให้เห็นตัวหน่อยเถอะว ยังชายยันกัดฟันสะบดอย่างหมายมั่นหนีผ่านท้ายจุดหกนนในโปรไว้ใต้ซอกแขนแน่นกระชับดาวดินกลับมาเรียบก็ปลดเซฟปืนลูกซองประทับลําไฟฉายเข้ากับกระโจมมือเตรียมพร้อมที่จะกดสวิต์สองจ้าขึ้นไปรูปหนึ่ง รู้สึกคล้ายๆว่ามันจะโฉบอยู่เหนือยอดไม้บนศรีรษะอีกรูปต่อมาเสียงปีกก็ตัดอากาศดังห่างออกไปครั้นแล้วก็ถลาเข้ามาใกล้อีกสลับกันอยู่เช่นนี้ด้วยปีกอันทรงพลังมหาศาลอาการของมันชนิดนั้นคือการบินชวัดเฉวียนหาโอกาสอุปสรรคของการประจันหน้ามันเกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย โดยภูมิประเทศแวดล้อมชนิดนั้นฝ่ายมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ถนัดเพราะบริเวณอันจำกัดที่มีก้อนหินงอกอยู่รอบด้านแทนฝาผนังทั้งสีทิศรวมทั้งยอดไม้ใหญ่ที่ปกคลุมอยู่เบื้องบนส่วนเจ้ายมมัทูดผู้สูบเลือดเป็นทักษาหารก็ไม่สะดวกที่จะโฉบถลาลงมาหายือ่อซึ่งแน่ละคงชวกลิ่นหอมหวนชวนใจมันอยู่เบื้องล่างทั้ง11ชีวิต บ, บินภายในรัศมีวงกลมระยะห่างออกไปก่อน ตาหนึ่งจะสแสวงหาลู่ทางลาดลาวแล้วก็วนใกล้เข้ามาเป็นลำดับจนได้กิ่งสางจากลมปีกที่กระพืออยู่เหนือยอดไม้สูงท่ามกลางแสงจันทร์อ่อนๆที่สองลอดกิ่งใบลงมาทั้งหมดสะกดกั้นลมหายใจเพื่อรอ ว, วินาทีที่สำคัญที่สุดวินาทีที่เงาของมันจะโผล่ออกมาให้เห็นได้ถนัดบัด น, นั้นเองยอดรางใหญ่ทางขวามือของที่พักก็ถูกพุ่งเข้าโชวเหมือนจะเป็นการชิมลางกำราบขวัญศัตรูเสียงครื่นสนั่น ก, กระจายราวกับขวานแยบจามกิ่งใบอันสูงช้ําแงม้มแขนคอสัน่นสั่นไหวโยกคอไปหมดพิษตาเดียวโดวยไม่ต้องอาศัยสไฟจากไฟฉายเรนิงต้นในมือของมาเรียก็ระเบิดนําขึ้นเป็นปฐมฤกษ์ที่ยิบเป็นปืนกลด้วยการยิงอันรวดเร็วของหล่อนประสานขึ้นกับเอฟของดารินและปืนานาฬาช่วยจากคนอื่นที่คอยโอกาสอยู่แล้วเงามะฮือมาที่แถบพ้นแนวยอดไม้ออกมานั้นฉลักบุบวาบอย่างสะทานสะเทือน เบนวกกลับแล้วเชิดตัวทะยานขึ้นสูงและเห็นส่วนท้องอย่างถนัดชั่วพิษตาหนึ่งในแสงจันทร์มาเวกกระโจนออกที่กำบังกวดออกมากลางลานที่พักซัดออกไปเป็นตุ่มสุดท้ายที่บรรจุอยู่ในตัวปืนจังหวะนี้เองชัยยันก็เหนี่ยวกยไกไรเฟลิลของเขาออกไปบ้างเป็นนัดแรกสำหรับเขาเพราะเพิ่งจะมองเห็นมันหายวับไปกับคลองจากสุดได้ยินแต่เสียงบินพึ้นภาพ บ, บนไปอีกด้านหนึ่งแล้วไฟฉายหลายกระบอกก็สาดจ้าขึ้นไปพาดล่ำกันอยู่ไปมาราวกับไฟฉายส่องหาเครื่องบิน แล้วมันก็ปีดิ่งเข้ามาอีกคราวนี้จากแนวโป่งของยอดไม้ทางด้านใต้ที่เป็นแนวขนานกับหูบลึกดาวรินมาเรียเชฐิฐาและชา ย, ยันหันคว้ไปยังทิศทางนั้นแต่ก็มองไม่เห็นเพราะกำแพงหินบางเสียคงได้ยินแต่เสียงโวยวายอื้อๆของพวกพ่านพื้นเมืองสี่ห้าคนที่อยู่ทางด้านนั้นแล้วก็มีเสียงไรเฟริลระเบิดกึกก้องไม่เป็นสัมดูเหมือนแต่ละคนทางด้านนั้นจะยิงสวนส่งเดชเข้าไปคนละนัดเท่านั้นโดยเป้าหมายที่เห็นเป็นเงาดำมืดพุ่งเข้าใส่ในอัตราความเร็วจนดูไม่ทัน ลมปิดอันชุนกึกปิ ว, ว่าผ่านหัวทุกคนไปจนพงะพากั้นหลังคากันน้ำค้างซึ่งมีละพินนอนหลับไม่รู้อยู่ในขณะนี้ปิวกระจายว่อนเดชบุญเหลือเกินระดับของโขดหินอันเป็นกำแพงกั้นอยู่จำกัดระยะไม่ให้มันบินเรียดต่ำลงมากว่านั้นได้และกลุ่ ม, มนุษย์ก็อยู่ต่ำลงไปในกลุ่มวงล้อมของกำแพงธรรมชาตินั้นมันจึงเลยเพิ่มหัว มาเรียนล้มลงไปนอนตะแคงกัดฟันยัดกระสุนเข้าปืนของหลอมอย่างรวดเร็วส่วนดารินเพิ่งจะเหนยศีษะขึ้นมาจากซอกหินที่าวาเข้าหลบ ก, ก้มลงเก็บปืนที่ตกอยู่ขณะนั้นเองเชิทาก็กระนำจุดสีห้าแปดแม็กนัมของเขาขึ้นไปยังยอดรังต้นเดิมเพราะเงาของมันพะงากร่าตีวงอยู่ทางด้านนั้นผลก็คือกิ่งรังอันขนาดคนขาหักพับขาสะบั้นหล่นคลืนลงมาอย่างหุบเหเวเบื้องล่าง ระหว่างนี้ใครต่อไครตะโกนกันเอ็ดอึงร้องบอกกันเช่นไรฟังไม่ได้สับเสแล้วมันสับสนชุนลมุนไปหมดชายยันหักลำกล้องไรเฟริลของเขาตาลีดตาเลืองอัดชุดใหม่เข้าไปแทนแบบของปืนทําให้เขาเชื่องช้ากว่าทุกคนกว่าจะมองขึ้นไปพักพวกก็สันโบกันแส่สนันจนแก้วหูแทบแตกเสียงลูกซองดังได้ถี่กระชั้นกว่าปืนอื่นๆทุกชนิดแต่มันจะถูกเป้าหมายบ้างหรือไม่ก็สุดที่ใข่จะคาดคะเนได้เพราะนาทีนั้นเป็นนาทีนรกในความรู้สึกของทุกคน มาเรียกกับเชตถาไม่ยอมเสียเวลาใช้ไฟฉายอีกแล้วแต่ใช้วิธียิงสุ่มในทันทีที่เหลือเผ้เงาและได้ยินเสียงปีกนกการยิงของทุกคนในยามนี้จึงเป็นการยิงแบบกาะดสงเดงเพื่อสกัดกั้นมากกว่าที่จะกำหนดเป้าชัดเจนลงไปเพราะไม่มีโอกาสจะทำได้เลยอีกสองช่วงอึดใจเต็มๆที่มันฉวัดฉวียเข้าโจมตีอย่างดุร้ายห้าวหาญและได้รับการระดมยิงสกัดกั้นอย่างเหนียวแน่นหนักหน่วงที่สุดจากปืนชนิดต่างๆถึงสิบกระบอก ไม่ผิดอะไรกับปืนต่อสู้อากาศยานภาคพื้นดินซึ่งศาสประดังขึ้นไปอย่างเครื่องบินขับไล่ยอดและกิ่งไม้รอบด้านมันถูกบินชนขาดกระจัดกระจายอย่างน่ากลัวมนุษย์เป็นฝ่ายเสียเปรียบในข้อที่ว่าความมืดของราตรีเสมือนมานอ่านอำพรางตาไว้ทําให้ไม่สามารถมองเห็นเป้าหมายซึ่งเคลื่อนที่บนอากาศอย่างรวดเร็วนั้นได้การเกตกัดของกิ่งไม้ที่ปกคลุมอยู่ไปทั่วก็เป็นอุปสรรคสําคัญอีกอย่างหนึ่ง ต่อมาได้ยินเสียงมันบินทยานขึ้นสูงแล้วก็ผ่าจากไปทางยอดเขาด้านตะวันออกห่างออกไปเป็นลําดับอย่างรวดเร็วเหมือนจะยอมล่าทับภายหลังการโจมตีปราศจากผลขณะที่ทุกคนวิ่งเข้ามารวมกลุม่มอยู่กลางลานสดับฟังเสียงบินผ่าไปของมันทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงร้องกรีดแหลมยาวแว่วมาในคลื่นอากาศกระแสะเสียงนั้นฟังประหลาดล้ํามันคล้ายๆจะเป็นเสียงของผู้หญิงที่แผดร้องออกมาอย่างดุร้ายเกลี้ยกล่ามและคนผิดหวังหรือมิฉะนั้นก็เสียงของผีเป็ดฉะนั้น ต่างาพากันขนลุกชันขึ้นทั้งกายด้วยความรู้สึกอันไม่อาจกล่าวถูกสำเนียงหวยหัวนั้นมันฟังเย็นเยือกไปทั่วทุกระบบประสาทเสียงของมันเสียงร้องไอ้ขังขาวนรกนั่นบุนคาร้องแหๆ่ๆช่วยกันฟังให้ดีมันน่าจะถูกลุกปืนของพวกเราเข้าไปบ้างและอาจบินไปตกที่ใดที่หนึ่งไม่ห่างออกไปนะับถ้าร่วงก็คงจะต้องได้ยินถนัดทีเดียวเพราะมันตัวใหญ่มากเช้ขาบอกกับทุกคน หังสกัดกั้นลมหายใจและช่วยกันเงียบหูฟังจับสำเนียอใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปเสียงปิดกระพืออากาศไกลออกไปสุดแล้วในที่สุดมันก็เงียบหายไปในความมืดโดยไม่มีสปปรรพสิ่งสำเนียงใดขึ้นอีกโอ้กอดมันไปแล้วเหมือนกับเครื่องบินเจ็ตไม่มีอะไรจะแสดงให้เห็นเลยว่ามันได้รับบาดเจ็บมาเรียฮอฟมันคลางออกมาสะบัดแขนยังขัดใจเตือดแขนทุกคนเต็มไปด้วยความผิดหวัง น่าจะเป็นไปได้เลยว่าลูกปืนของพวกเราไม่ถูกมันสักนิดชา ย, ยันสะบดสะบานลั่นก็ไม่แน่นักอาจจะถูกไปบ้างอย่างน้อยก็รูกปลายจากลูกซองแต่ไม่ชกันจนถึงกับสอยมันลงมาได้ถึงอย่างไรก็ต้องถือว่ามันแพ้เราในการต่อสู้ครั้งนี้เพราะเป็นฝ่ายเปิดอ้าวไปเชิดทากล่าวเหมือนจะปลอบใจทุกคนแล้วหันไปสอบถามสำรวจดูว่าใครได้รับอันตรายบาดเจ็บเช่นไรบ้างแล้วก็พอใจเมื่อทุกคนปลอดภัยเมื่อไหร่มันจะมาเล่นงานเราอีกนี่ดาวดินเปิดขึ้น นั่นไม่เป็นปัญหามาเมื่อไหร่ก็ยิงกันเมื่อนั้นอย่างน้อยที่สุดสําหรับคืนนี้เชื่อว่าคงไม่กล้าหวนมาเล่นงานเราซ้ําอีกแน่ๆหรือยังไงบุญคําประโยคหลังหัวหน้าคณะหันไปอย่างเสียงตะพานเท่าบุญคําก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันแต่เสียงร้องของมันตะกี้ฟังพิกลอยู่นานายพูดแล้วแกก็เอามือลูกแขนที่กําลังขนลุกเปลวอยู่นั่นทําไมหูบุญคําจะอุปมาไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้มันร้องเหมือนคนเหมือนผู้หญิงบางที ฟังเหมือนเป็ดนางวันทองอ๋อบุญคําเคยได้ยินเสียงเป็ดนางวันทองร้องแล้วหรืดาวรินถามเคยนะหญิงยี่งเกมมันเคยมาเล่นที่หนองน้ําแห้งตอนวันทองห้ามทับเป็ดนางวันทองมันร้องดังอย่างนี้แหละเสียงกรีดนายคณะกดยิ้มออกมาไม่ได้มีความรู้สึกว่าคําพูดของตาเท่าบุญคํามีความหมายให้คิดอยู่เหมือนกันแม้แกจะเปรียบเทียบไปตามภาษาของแก มันจะร้องเสียงเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะปืนของเราร้องได้ดังกว่าคราวนี้มันโชคดีรอดไปได้อีกช่างหัวมันคราวหน้ายังมีเสียได้เหลือเกินที่ไม่ได้เป้าหมายถนัดถนัดเลยไม่มีอะไรจะต้องวิตกสําหรับไอ้ครั้งคาวผีตัวนี้ตามเดยที่พวกเรารู้รวมกลุ่มกันอยู่อันนี้มันจะไม่มีวันทําอะไรได้เลยและมันก็ไม่มีทางจะมาได้เงียบๆเสียงบินของมันดังมากเตือนให้เรารู้ล่วงหน้าได้เสมอ อย่างชาชินและเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเสแล้วกับเหตุการณ์ตื่นเต้นฉุกเฉินที่เกิดขึ้นไม่มีการวิตกวิจาร์อะไรกันมากกว่านี้เมื่อแน่ใจว่าอันตรายเฉพาะหน้าผ่านไปแล้วต่างก็นอนทิ้งภาระเฝ้าไว้ให้กับผู้ได้รับเวรยาม และพินภัยวันยังคงหลับสนิทไม่ขยับขยื่นกายอยู่ตามเดิมแม้ว่าเมื่อหยกหยกที่ผ่านไปนี้เองบอริเวณแคมป์รอบตัวของเขาจะเต็มไปด้วยความสับสนอนลหมาตและเสียงปืนที่แผดระรวัวกล้องราวกับเกิดสงคราม ทุกคนอดไม่ได้ที่จะคิดเสียดายที่จอมพานถูกดารินสะกดด้วยยาให้ลืมโลกแวดล้อมรอบตัวไปชั่วขณะถ้ารัาพินยอยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยเขาหน้าที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้เกี่ยวกับเจ้ายมรทูตตัวนั้นในหนทางที่มีสมดุลภาพกว่าการเผชิญกันเองตามลำพังมันอาจจะจริงตามที่เกิดได้พูดไว้นั่นคือเมื่อเจ้าภัยหลับไม่รู้ตัวไปเพียงคนเดียวคณะทุกคนก็เหมือนอยู่กันอย่างโดดเดี่ยวอย่างลำพัง สิ่งที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือพวกผีกองกอยเหล่านั้นมีความเกรงกลัวต่อเจ้าค้างคาวผีไม่ผิดอะไรกับหนูกลัวแมวพวกมันพากันแสดงความหวาดกลัวพลั้นพลึงและเล่นกายหนีหายไปอย่างเร็วเมื่อแววถึงการมาของค้างคาวใหญ่ตัวนั้น จะว่ามันเกรงการตกเป็นเหยื่อก็ใช่ที่เพราะเท่าที่เห็นไ อ, อยมุทุษแห่งราตีการไม่ได้แสดงท่าทางว่าจะเป็นอันตรายใดๆกับพวกกองกอยเลยไม่มีวี่แววว่ามันจะจับให้พวกนั้นกินเป็นเหยื่อหรือสนใจอะไรด้วยประการหนึ่งสัตว์พิเศษประเภทนี้ก็เป็นสัตว์ไม่มีเลือดตรงข้ามกับสัตว์ที่สแสวงหาเลือดและเนื้อสดกินเป็นอาหารเช่นกันมันน่าจะมีอะไรผูกพันกันอยู่อย่างลี้ลับ ภายหลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างสงบจนกระทั่งแสงแรกของปัจจุสมัยปรากฏรัศมีเยี่ยมเยือนเข้ามารัฐพินไพรวันรู้สึกตัวขึ้นเป็นคนสุดท้ายโดยการเขย่าปุกของเช่ถาและชายยันทุกคนเห็นเขางัวเงียอยู่เพียงชั่วขณะก็คล่องแคล่วปรับเปรี่ยนเหมือนเดิมเมื่อได้รับทราบถึงเหตุการณ์เมื่อคืนจอมพานก็มองไปทางแพทย์สาวประจำคณะผมเสียท่าคุณหญิงซะแล้วไม่น่าจะมองผมด้วยยานอนหลับเลย น้อยทำถูกแล้วคุณควรจะนอนพักให้มากที่สุดในเมื่อคืนที่แล้วมาเพื่อจะได้เป็นปกติดีในเช้าวันนี้แต่พวกเราก็ยอมรับว่าเสียดายที่เมื่อคืนคุณต้องหลับไปเสียไม่ได้ร่วมเหตุการณ์กับเราด้วยเชยถาว่าความจริงผมไม่ได้เป็นอะไรมากจนถึงกับต้องใช้ยานอนหลับสะกดผมเลยผานใหญ่บนอาการของเขาเต็มไปด้วยความเสียดายคุณไม่รู้อาการของตัวคุณเองดีไปกว่าหมอหรอกดารินพูดเรียบ และถึงแม้จะไม่ให้หลับสนิทไปเลยคุณก็ไม่มีทางจะทำอะไรได้ดีก็งงง ง, งเงอะเงอะเป็นไก่ตาแตกยิ่งผสมกับความอวดดีก็จะยิ่งเป็นภาระให้พวกเราเสพเปล่าเพราะจะต้องคอยพะวงคุ้มกันให้ซู้ให้นอนนิ่งๆซะยิงดีกว่าป้องกันได้ง่ายหน่อยอือก็อาจจะจริงเขายอมรับยกมือขึ้นกลุ่มต้มมคอตำแหน่งที่ถูกจับฟาดกับแง่งหินแล้วเหน่ยดัดขึ้น แต่ข่าวหลังถ้าต้องการให้ผมหลับเป็นตายไปแล้วก็กรุณาบอกให้รู้ล่วงหน้าด้วยอย่างน้อยก่อนจะหลับผมจะได้มีโอกาสสั่งเสียหรือเตือนอะไรไว้ให้ทราบบ้างเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเราทุกคนรู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นขึ้นมาตอนนี้จอมพานกระโดดลุกขึ้นยืนดีกว่าเมื่อวานนี้มากครับคุณหญิงขอบขอบคุณมากที่ใช้เหตุผลในทางการแพทย์ช่วยผมการได้นอนหลับสนิทมาตลอดคืนช่วยให้ผมสั่งงงและพอมีกําลังขึ้นแล้ว พวกเราทั้งหมดก็ทําได้เป็นแต่ขับไล่มันไปเท่านั้นไม่สามารถที่จะเอามันลงได้ชัยยันบอกภายหลังจากให้ผ่านใหญ่รู้รายละเอียดในการประทะ ก, กับขังข่าวผีเมื่อคืนแล้วเพียร์หันไปสอบถามกับคนของเขาอยู่สองสามคำก็บอกว่าก็ดีที่สุดแล้วครับที่เราไล่มันได้ก่อนที่มันจะทําอันตรายอะไรกับพวกเราถึงจะยังไม่ได้ตัวก็ช่างมันก่อนเถอะเพราะมันเป็นสัตว์ปีกบินได้ว่องไวและเหตุการณ์ต่อสู้ก็เป็นเวลากลางคืนทําให้เราเห็นไม่ถนัด มันได้เปรียบเราในที่สุดมันก็ต้องเปิดอ้าวไปอย่างอื่นผมไม่ห่วงห่วงแต่เพียงแต่ว่ามันจะเข็ดไม่กล้ามาเล่นงานเราอีกเท่านั้นแล้วโอกาสที่เราจะได้ตัวมันก็หมดไปแต่ถ้ายังกล้ามารังควานอยู่อีกแล้วก็ไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องเสร็จแน่ ระหว่างกินอาหารเช้ากันอย่างรีบเร่งเพื่อการออกเดินทางชเชชาก็เอาปัญหาเรื่องน้ำขึ้นมาหารือและขิน เ, เองก็ยังไม่มีความคิดเหมือนกันว่าเขาจะเริ่มต้นการสแสวงหาน้าโดยวิธีใดแล้วก็มีสีหน้าตื่นประหลาดใจเมื่อหัวหน้าคณะเล่าให้ฟังถึงพ่อสนทนาระหว่างเขากับขยินในเมื่อคืนที่ผ่านมา แล้พินก็พยักหน้าเรียกขยินเข้ามาทรงภาษาถามในทันทีนั้นครู่หนึ่งเขาก็หันไปทางเชิดท้าผมเองก็ไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันในเรื่องนี้แต่ขยินยืนยันแน่นอนว่าว่านเสน่จันทร์ขึ้นที่ไหนที่นั่นจะต้องมีน้ําบริสุทธิ์ให้ใช้ดื่มกินได้แล้วคุณคิดยังไงก็เห็นจะไม่มีทางเลือกอย่างอื่นหรอกครับในสําหรับขณะ น, นี้นอกจากเสี่ยงทดลองดูตามคําบอกเล่าของมันมันบอกว่าจากกลิ่นที่โชยมากระทบจากจมูกของมันเมื่อคืนนี้เสน่จันทร์ควรจะขึ้นอยู่ทางด้านเหนือและไม่ห่างไกลออกไปนะัก เองฝันไปหรือเปล่าว่ะขยินบุญคำถังพุ่งขึ้นมาจ้องตาเขม่งข้าไม่ได้ฝันข้าได้กลิ่นจริงๆก็ถ้าตามเองไปแล้วไม่พบน้ํำละ่ะแต่ผ่านเท่าชีหน้าคาดคันขึงขังถ้าไม่พบวันนี้ก็ต้องพบพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็มารืนพิโท้ไอ้ชิบหายใช่สิถ้าไม่มารืนก็ไม่เรื่องไม่ไม่เรื่องก็วันต่อไปแล้วพวกเราก็คงตายกันหมดซะก่อนเสือพูดออกมาได้เดี๋ยวพัด อดน้ำแต่เท่าไม่ได้ตายคนเดียวหรอกขยิมก็ตายด้วยขยิมพูดหน้าตาเฉยมาเรียก็ฉุดแขนบุญคําดึงให้นั่งลงตามเดิมพูดเป็นภาษาพม่า ก, กับแกยิ้มยิ้มว่าคนแก่อย่าเอาแต่ข่มรู่พานใหญ่และพวกเราส่วนมากทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนอกจากลองเชื่อตามขยิมที่ขันอาสาเพราะเราไม่มีทางที่จะดีไปกว่านี้แล้วหรือบุญคมีความคิดอะไรที่ดีกว่า บุญคำจนปัญญาในเรื่องนี้แต่อยากจะให้ตรองให้ดีน้ำเราไม่มีเหลืออยู่อีกแม้แต่หยุดเดียวระยะทางที่จะเดินต่อไปอย่างมากอีกไม่เกิน 3-4 สี่ชั่วโมงถ้าไม่พบน้ำเราก็เสร็จพวกเจ้านายนั่นแหละจะเดินกันไม่รอดก่อนพวกบุญคำ ถ้าเราไม่ยอมทำตามขยินเราจะทำอย่างไรดาวินตั้งกระทูมาอีกคนบุญคํอยังนิ่งอย่างจำนนเอาละขยินในที่สุดพานใหญ่ก็ตัดสินใจก้มลงเหวียงเต้หลังขึ้นสะพายหลายพยักหน้าให้เราจะเริ่มต้นกันวันนี้ด้วยการหาน้ำก่อนเป็นอันดับแรกเจ้าเป็นผู้นำทางและขอให้รู้ไว้ด้วยว่าชีวิตของพวกเราทั้งหมดกาลังฝากไว้กับเจ้าคนเดียว เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยขยิมผู้หาบของคู่อยู่กับบุญคำก็ออกนำหน้าไปในบัตรนั้นโดยมีระพินขั้นกระบวนสืบตามมาเบื้องหลังถัดไปเป็นคู่ของส่างปาเสยเกิดและจันท์ซึ่งเดินรวมกลุ่มไปกับคณะนายจ้างทั้งสี่ บนทางนำของขยินแยกจากทิศทางเดิมของพานใหญ่ซึ่งสาวรอยงานทายมาโดยตลอดบุกปา ร, รถชัดขึ้นไปทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือโดยเรียบเลาะกันไปตามไหล่เขาและหุบเหวซึ่งพบเห็นอยู่สองด้านแทบจะหลีกไม่พ้นทางเดินเต็มไปด้วยอันตรายอย่างยิ่งและลำบากยิ่งกว่าการเดินของเมื่อวันที่แล้วบางขณะต้องค่อยๆไต่พยุกันขึ้นไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกลูกหักที่แบกของหนักเมื่อปีนป่ายไปตามหินผาหลายแต่ลายครั้งที่จะต้องวางหากลงแล้วใช้วิธีชักร ของล่วงหน้าขึ้นไปก่อนทั้งคณะเผชิญกับความวิบากลำเค็นของทางเดินอย่างเต็มกลืนพานใหญ่ต้องทำงานอย่างหนักไหนจะคอยระวังบงการในการขนลำเลียงสิ่งของโดยพวกลูกหาบทั้ง3คู่และไหนจะต้องคอยมาหันเตือนคณะไหนจ้างให้คอยหลีกหลบจากเทาวันและใบไม้อันมีพิษซึ่งขึ้นอยู่ดาาตื่นรอบด้านไป